ไม่เอานะอย่าทำนะอย่าเห็นฉันเป็นทางผ่านไม่เอานะอย่าไปนะอย่าทิ้งกันหรือรำคาญไม่เอานะฉันไม่ยอมนะไม่เอานะอย่าทำนะอย่ารักใครกพราดีกว่าไม่เอานะอย่าไปนะอย่าหลงใครที่หน้าตาไม่เอานะอย่าทำนะอย่าเลือกใครกพราะรวยกว่าไม่เอานะฉันไม่ยอมนะอย่าไปนะ ฉันไม่ยอมนะรู้ว่าไม่สู้เท่าไรในประเทศก็ไรหน้าต า, าแค่พอใช่รู้ว่าไม่รวยเทไรไม่กู้ควรเ่าไรจะเทียบกับเธอไม่เอานะอย่าทำานะอย่า้าของมีราคาไม่เอานะ ไปนะอย่าเที่ยวกลางคืนดีกว่าไม่เอานะอย่าทำนะอย่าเชื่อเขาเดียวเมาอย่าไม่เอานะ อย่าทำนะอย่าเห็นฉันเป็นทางผ่านไม่เอานะอย่าไปนะอย่าทิ้งกันหรือรำคาญไม่เอานะอย่าทำนะอย่าเห็นฉันเป็นทางผ่านไม่เอานะอย่าไปนะอย่าทิ้งกันหรือรำคาญไม่เอานะฉันไม่